ง่ายๆใครมีอะไรจะพูดไหมมีไหมเอาว่กมามก่อนมาที่นิยมมีความเห็นขึ้นมาว่ า, าบุญที่เราทำหรือความดีนี่สามารถเป็นความเชื่ อ, อเป็นอสุส์ขึ้นมาได้ไเป็นยังไง ที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้าต้องเคอย่างนั้นนี้อะไรแบบนี้ยเกับว่าหรือทำแล้วนี่หวังคือมนนก็หวังความดีอันทุกคนนี่หวังว่าจะสามาร ถ, ถาที่จะทำทำร้อยอาจจะหวังหมื่นอะไรแบบนี้นะะทำทันอาจจะหวังลายย้านอะไเป็นไปได้ั้ยคะหรือว่าเฉพาะกรณีไปมัน มันทำเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นอ่ะมันจะหวังยังไงมันก็หวังไปมันก็แค่ความหวังความหวังมันก็ไม่เห็นว่ามันชั่วร้ายตรงไห น, ไ น, นอ่าก็เป็นเพลงแต่ว่ามันจะผิดหวังนั่นเองอ สักอย่างนี่แล้วก็แล้วก็บอกว่ายังไงก็ให้ห อ, อยู่เหนือดีเหนือช่วยแล้วก็ให้จุดเป็นกลางเอาไว้หรือจะปลอดภัยนะคะก็ให้เฉยเฉยเปไงดีก็เฉยชั่วก็เฉยใช่ไหมเวลาที่เราทําบุญเราก็ไม่ต้องหวังอะไรเราก็แค่ทำไปหรือหวังไม่หวังมันก็ได้นะทําอะไรมันก็ได้ผลที่เราทํำเพียงจะให้เรารู้ว่าทําอะไรแล้วได้อะไร จะหวังไม่วังมันก็ได้ตีะระฆังจะหวังให้มันดังหรือไม่ดังมันก็ดังเข้าใจไหมขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราจะได้อะไรถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็อย่าไปทำทำบาปแล้วก็ไปตกนรกนี่ถ้าไม่อยากไปตกนรกก็อย่าไปทำบาปก็มัน มันไม่ได้อยู่ที่อยู่เหนือหรือไม่เหนืออยู่ที่ทำหรือไม่ทเอยู่เหนือบาปแต่ทำบาปมันก็มันก็ยังไปนรก ok อยู่ใอ่ไ ม, มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเหนือหรือไม่เหนืออยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปนรก ok. ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรก ok. ทททําี่เป็นกลก็เป็นการเป็นการกระทําที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเนี่ยเช่นอาบน้ำเนี่ยเป็นบุญหรือเปล่าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเนี่เป็นบุญเป็นประโยชน์กับใครหรือเปล่าคําว่าบุญคือทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นบาปก็คือการที่ทําให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นถ้าทําแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น มันก็ไม่เป็นบุญงั้นกินข้าวนี่เป็นบุญไหยถ้าเป็นบุญก็ไม่ต้องทําบุญเลยก็กินข้าวกินอยู่ทุกวันเนี่ยหมามันก็กินทุกวันหมามันก็ทําบุญ ม, มันก็ได้บุญทําอะไรที่ไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษแก่ผู้อื่นมันก็ไม่เป็นบุญเป็นทําเนี่ยมาเอาข้าวใส่บาตเนี่ยมัน เป็นบุญนขโมยพระจากอนี้เป็นบุญแล้วเป็นบาปเลยใช่ไหมคนอื่นเขาเอาข้าวใส่บาตรแต่เราไปกับขโมยข้าวออกจากบาตรพระนี่มันการกระทาเหมือนกันหรือเ่าคนใส่บาตรกับคนขโมยข้าวจากบาตรนี่คนขโมยข้าวมันก็ไปทําให้พระเดือดร้อน กจ้ของข้าวเ็าเดือดร้อนข้าวเขาจ่าไปกินก็ไม่ได้กินถูกขโมยไปนี่ก็เป็นบาปไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น้าไปสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นก็เป็นบุญถ้าไม่ได้ไปทำความสุขหไม่ได้ไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแล้วอ า, อาบน้ำแปรงฟันนั่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัว ทำลายเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่เราไม่เรียกว่าเป็นบุญอ่าจะเรียกว่าเป็นกุศลก็ได้แต่ไม่ได้เป็นบุญกุศลก็คือระวังอาบน้ํากับไม่อาบน้ํามันไหนมันดีกว่ากันอไม่อาบน้ำมันก็มันก็ส่งกลิ่นเหม็นมันก็เป็นอกุศลเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเข้าใจไหม คว่ากุศลนี่แปลว่าฉลาดอากุศลแปลว่าไม่ฉลาดการล้างหน้าแปรงฟันเลี้ยงดูร่างกายของเราเรียกว่ากุศลอาจจะกลายเป็นบาปไปก็ได้ถ้าเลี้ยงดูด้วยการไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นไปขโมยเงินของคนอื่นมาซื้ออาหารกิน เป็นกุศลเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นกุศลทุกคนก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลตัวเองแต่ไปดูแลตัวเองด้วยการไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมันก็เป็นบาปขึ้นมายิงนังเข้าใจคำว่าบุญกับกุศลมันเป็นคนละคำคนละคนละความหมายกันบุญแปล ว, ว่าความสุขใจอิ่มใจ เวลาเราทําบุญแล้วเรามีความสุขใจอิ่มใจไหมตอนนี้สุขใจไหยอิ่มใจไห ม, มก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความฉลาดเหมือนกันกุศลที่ไม่เป็นบุญก็มีกุศลที่เป็นบุญก็มีกุศลที่เป็นบาปก็มีอกุศลนี่มันเป็นได้ทั้งเป็นบาปก็คือ ไปขโมยเงินไปขโมยอาหารของคนอื่นมากินนี่มันก็เป็นกุศลสําหรับตัวเราเองเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราใช่ไมมันก็เป็นกุศลในระดับหนึ่งแต่มันก็ไปเป็นการไปทำบาปไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นกุศลที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือเราซื้ออาหารของเราเอง เราทำงานหาเงินนาทองของเราเองได้เงินทองมาเราก็ไปซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องอะไรต่างๆที่ต้องเอามาเลี้ยงดูร่างกายอันนี้ก็เป็นกุศลคนที่คนที่ไม่เลี้ยงดูร่างกายตัวเองก็เป็นคนโง่เลี้ยงดูตัวเองไม่เป็นต้องมาขอให้คนอื่นเขาเลี้ยงอี เขาเรียกว่าเป็นคนโง่ไม่ฉลาดแต่ก็ไม่บาปให้คนอึ่งเขาเลี้ยงก็ไม่บาปพ่อแม่บางคนก็ชอบเลี้ยงลูกลูกโตเป็นควายแล้วก็ยังเลี้ยงมันอยู่ยังให้เงินให้ทองมันใช้อยู่ไม่ให้มันไปหาเงินเองไม่ให้มันไปทํางานไม่อยากจะให้มันเดือดร้อนไม่ให้มันอยากให้มันไปลำบากก็เลยไม่ต้องให้มันไปทางาน ให้เงินเดินมันแานให้เงินใช้อย่างนี้พ่อพ่อแม่ได้บุญแต่ไม่แต่ไม่ได้กุศลไม่ได้ความจาเจริญเพราะเลี้ยงลูกให้เสียทำให้ลูกช่วยตัวเองไม่ได้ไปถ้าพ่อแม่ตายไปเงินทองหมดเพราะลูกจะทำยังไง ขอให้เข้เขาใจคําว่ากุศลกับบุญนี่มันมีความหมายต่างกันกุศลแปลว่าฉลาดอกุศลแปลว่าโง่ส่วนบาปนี่เป็นความสุขใจเย็นใจทําแล้วทําแล้วเกิดความสุขใจเย็นใจเรียวกว่า บ, บุญถ้าบาปนี่ทําแล้วทําให้ร้อนใจทําให้ทุกข์ใจเรียวกว่า บ, บาป เราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นนี้ใจเราเย็นด้วยใจเราร้อนดาวทรัพย์ของเราไปให้ผู้อื่นนี้ใจเราเย็นด้วยใจเราร้อนใช่ไหมบุญกับบาปบุญทำให้ใจเย็นทำให้ใจสุดใจสบายบาปทำให้ใจร้อนทายใจทุกข์นอกจากบาปที่ทำให้ใจทุกข์แล้วยังมี อย่างอื่นที่ทำให้ใจทุกข์ได้ด้วยก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่พอเกิดความโลภขึ้นมาใจก็ร้อ น, อ ย, นอยากได้นูนอยากได้นี่ก็อยู่ไม่เป็นสุขละอยู่เฉยๆไม่ได้ใจเริ่มร้อนขึ้นมาเหมือนถูกไฟลนก้นต้องไปทำในสิ่งที่อยากทำ พอได้ทำแล้วก็หายร้อนในเวลาอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็ใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมา <c oughs> นี่ความทุกข์ใจนี่มันมีอยู่สองระดับอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจา <c oughs> เช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดเดิมโซลายามมาทำแล้วทำให้ใจร้อนทำให้ใจไม่สบายนอกจากนั้นเวลาโลภเวลาโกรธเวลาหลงก็ทำให้ใจร้อนทำให้ใจไม่สบายเวลาโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็ใจร้อนขึ้นมาต้องไปรีบไปเอาให้ได้ยิ่งถ้ารู้ว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวไม่รีบไปเดี๋ยวจะไม่ได้ มีลดราคาสินค้าภายในวันนี้อยากซื้อสินค้าราคาถูกก็ต้องรีบไปแล้วถ้าไปไม่ทันเดี๋ยวก็อันนี้ก็เป็นความร้อนใจทุกใจเวลาโกรธใครเกลียดใครใจร้อนหรือใจยเย็นใจสบายหรือใจไม่สบายเวลาโ ก, กรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตไตรบา ไฟก็ร้อนขึ้นมาเป็นไฟในะลบเผาใจอันนี้คือเรื่องของคำต่างๆที่เรายังอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะบางทีเราใช้กันสับสนใช้แทนกันบ้างอย่างคำว่ากรรมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าบาปหรือเปล่าทำไมเขาถึงเรียก บ, บุญกรรม บุญกับบาปกรรมแปลว่าการก ร, ระทอทำบุญก็เรียกว่าบุญกรรมทำบาปก็เรียกว่าบาปกกรรมคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆไม่มีไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นบุญเป็นบาปหรือเป็นกลางๆเป็นการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจ เวลาเราเคลื่อนไหวนี่เรากําลังทํากรรมแล้วเดินนี่ก็เป็นกายกรรมนะพูดก็เป็นวจีกรรมนะคิดก็เป็นมโนกรรมการกระทําทางร่างกายเรียกว่ากายกรรมการกระทําทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทําทางใจคือความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมเราคิดนู่นคิดนี่เรากําลังทํามโนกรรมแล้ว เราพูดนั่นพูดนี่เรากำลังทำวจีกรรมนะเรากำลังเดินไปเดินมาทำอะไรต่างๆด้วยร่างกายก็เรียกว่ากายกรรม น, นะนี่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปถ้าเราพูดแล้วทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้อื่นได้รับความสุขจากการพูดของเรา อ, อันนี้ก็เรียกว่าบุญแล้ว บุญที่เกิดจากการพูดเช่นเราสอนหนังสือให้แก่ผู้อื่นให้วิชาความรู้เขาไม่รู้เขาได้เรียนรู้เขาก็เกิดความสุขขึ้นมาว่าเขาสามารถเอาความรู้นั้นเอาไปทําประโยชน์หากินได้หาเงินหาทองได้เช่ <c oughs> นสอนให้เขาพูดภาษาอังกฤษนี้ พอเขาพูดเป็นเขาก็ไปสมัครงานทําเป็นลาบได้มีชาวต่างชาติมาก็ไปเป็นลาบพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็มีรายได้อันนี้ก็เป็นบุญแต่ถ้าไปด่าใครเนี่แล้วทาให้เขาเดือดร้อนใจขึ้นมาหรือไปพูดโกหกหลอกลวงใครขึ้นมานี่มันมันเป็นบาปแล้วเป็นบุญ มันไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วเดี๋ยวความเสียหายนั้นก็กลับมาหาเราต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อคําพูดของเราไม่มีใครอยากจะฟังคําพูดของเราคำว่ากรรมนี้ไม่ได้แปลว่า บ, บุญว่แลปลว่า บ, บาปอกรรมนี้เป็นว่าแป ล, รรแล ว, ว, ว่าการกระทํำแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทําทางไหนด้วยะ การกระทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมการกระทำทางใจคือความคิดก็เรียกว่าโมโนกรรมการกระทำนี้ทั้งสามทางนี้ก็มีสามแบบทำแล้วเกิดบุญขึ้นมาก็ได้ทำแล้วเกิดบาปขึ้นมาก็ได้ทำแล้วไม่เกิดบุญเกิดบาปขึ้นมาก็ได้นี่ เพระพระอา จ, จารย์สอนว่าบาปมันร้อนอย่าไปทำมันไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจทางกายก็คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีดื่มสุรายาเมาเนี่ยเป็นกระทาการกระทําที่จะทําให้ใจร้อนใจทุกข์แะการกระทําทางวาจาก็คือวาจีกรรมก็อย่าไปพูดปด อย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดเพ้อเจ้ออย่าไปพูด ส, อส่สอสเสียดส่อเสียดแปลว่ายุยงทําให้คนทําให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีไปพูดให้เขาแตกแยกสามัคคีกันโกรธกันเกลียดกันอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่ดีเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น คำยาบก็ฟังแล้วก็คนอื่นเขาก็ไม่สบายใจเพราะจะฟังแล้วก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรให้พูดที่เป็นประโยชน์คือพูดคาความจริงพูดคำสุภาพพูดเรื่องที่มีสาระประโยชน์เช่นพูดเรื่องธรรมะพูดธรรมะ หรือพูดเรื่องวิชาการต่างๆเรื่องวิชาความรู้ต่างๆแล้วพูดให้คนนักกันสามัคคีกันอย่าไปพูดให้ยุโยงแตกแยกกันความแตกแยกไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนระดับครอบครัวก็ไม่ดีอายุโยงให้สามีภรรยาเขาแตกแยกกันไม่ดีเขาอยู่ของเขาไปเถอะ ให้เขาลักกันดีกว่าให้เขาโกรธกันเกลียดกันพูดอย่างนี้ถึงเกิดเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาดูที่ผลของการพูดของการกระทาของเราว่าทำให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษขึ้นมาส่วนความคิดนี้มันไม่เกิดโทษกับผู้อื่นมันจะเกิดโทษกับตัวเรานะคิดดีใจเราก็สุขคิดไม่ดีใจเราก็ทุกข์ คิดอาฆาตพยาบาทเกียดแค้นนี่ก็ทำให้เราทุกข์คิดโลภโกรธหลงเนี่ยโกรธคิดอยากได้อะไรต่างๆนี่ทำให้ใจเราทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงอย่าไปคิดไปในทางความอยากอย่าไปอยากได้นั่นอยากได้นี่อย่าไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่อย่าไปอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ไปมันเสียใจ like are, ไหมเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้มันดีใจแล้วเสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปมีความอยากอย่าไปคิดในทางความอยากคิดในทางความไม่อยากนี่กไม่อยากได้อะไรแล้วมันสบายไหมได้หรือไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนถ้าอยากได้แล้วถ้าไม่ได้ก็เดือดร้อนเสียใจ ถ้าได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็อยากได้เพิ่มก็อีกแล้วพอได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วามสมัยเด็กๆได้วันละสิบบาทก็ดีใจแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยวันละสิบบาทไม่พอแล้วต้องวันละร้อยเดี๋ยวนี้วันละพันพอไหยไม่พอหรอกได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมีแต่จะอยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ความอยากเหล่านี้ไม่ดีไม่ฉลาดเป็นความคิดของคนโง่คิดอยากร่มอยากรวยนี่เป็นความคิดของคนโง่คิดอยากไม่รวยนี่คิดว่ารวยก็ได้ไม่รวยก็ได้เนี่ยเป็นคนฉลาดคือได้ทั้งสองทางเหมือนแทงหวยแทงแทงเลขเดียวทำไมแทงสองเลขไม่ดีกว่าถ้าไม่ออกเลขนี้ก็ออกเลขนี้ ก็ได้ทั้งสองเลยที่เขาเล่นไฮโลแทงทั้งไฮแทงทั้งโลนีมันออกายก็ได้ออกโลก็ได้ให้คิดแบบนี้ยังไงก็ได้ได้ก็ดีใจได้ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่เสียใจได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีในวิธีคิดของคนฉลาดคนยงี้ยวคิดว่าต้องได้อย่างเดียว พอไม่ได้ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจพอได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่พอได้มาแล้วสิ่งที่ได้มามันก็มันก็ไม่ได้ทำให้ดีใจไปตลอดใช่ไต้องได้ของใหม่ขึ้นมาได้กระเป๋าวัานนี้โอ้ดีใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายดีใจแล้วดูมันยังไงก็ไม่ดีใจแล้ว แต่ไปดูกระเป๋าในร้านเนี่รู้สึกมันจะดีใจแล้วสิพอเป็นกระเป๋าในร้านนี่พอไปซื้อมาโอ้ดีใจอีกแล้พอมาถึงบ้านแล้วหายดีใจแล้วกระเป๋าว้นั้นมันถึงมีกระเป๋าเต็มบ้านนะนี่คิดไม่ฉลาดอย่าคิดไปในทางความอยากความโลภเพราะมันจะทำให้เราเหนื่อยเราจะต้องหามาอยู่เรื่อย หามาหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอคิดแบบไม่เอาดีกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าถ้ามีความจําเป็นต้องมีก็ก็หามาถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องหามาใช้เหตุผลเวลาจะอยากได้อะไรให้ใช้เหตุผลแล้วเราจะไม่เหนื่อย อ, อีกอันนึงนโนกรรันโนกัตอนที่ภาวนาที่เกิดในขณะลสติหลตาท่านบอกว่านนัสืออีกอ่าตาท่านบอกว่าบางครั้งเวลาเจอเอวิชาหรืตอนนั้นมันหลงหลงไปแล้วไปคิดเพ้อไปพอรู้ตัวขึ้นมาก็เอาอกลับมาที่ทุกทามนหลวงตาบอกว่าบางครั้งก็กระดด ว่าในจิตเนี้ยค่ะ ก, ก็ว่าว่าว่าเอาวิชาที่ในจิตอืแล้วก็ก็เลยนึกว่าเออเนี้ยเราเราไปว่าเขาแล้วเราก็เกิดมึนตื้อขึ้นมาอื ม, มันก็เป็นอคติสอเราด้วยบากเพราะว่าเราไปโกรธเออ <c oughs> แต่ท่านท่านก็บอกว่าให้หัดเป็นกลางคืออยู่อยู่กับเอาวิชาให้ได้ดีๆเฉยๆ เป็นนกาารออัวิชยไม่ใช่หรอกไปอาหารใหม่เถอะอวิชานี้ถ้าไม่ให้มันรับมันเพียงแต่ให้รู้ทันมันรู้ว่าเรากําลังหลงละเราคิดไปในทางที่ผิดแล้ะพอโลภนี่ก็เป็นอวิชาแลระพอโกรดนี่ก็เป็นอวิชาระเพราะว่าถ้าเป็นวิชาจะไม่โลภจะไม่โกรธ เราหลงไม่รู้ว่าการความโลภนี่มันทําให้ไม่สบายใจความโกรธนี้ทําให้ไม่สบายใ จ, ใายใจกาวิชางไม่รู้ว่าความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีถ้าเราปล่อยให้มันโลภเราก็แกสดงว่าเราโง่นะเราไม่ฉลาดะถ้าเราปล่อยให้มันโกรธเราแสดงว่าเราโง่นะคนฉลาดก็ไม่โลภก็ไม่โกรธก็ไม่หลงคนโง่เนี่ยที่โลภโกรธหลง ที่อยากได้อะไรต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากร่าอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตนี่ทางทางศาสนานี่เรียกว่าเป็นคนโง่เพราะาอะไร เ, เพราะว่ามันเป็นทุกข์ไนงะทุกข์เป็นไงทุกข์ตอนที่มันไม่ได้นะอยากได้แล้วไม่ได้ทุกข์ไหมแล้วทุกข์อีกตอนก็คือตอนที่ได้มาก็ทุกข์ล้ ได้มาก็ต้องทุกกับการดูแลมันนะได้อะไรมาก็ต้องคอยกังวลใช่ไสมบัติในบ้านนี่ห่วงไนหะเวลาจะออกจากบ้านแต่ละครั้งนี่ต้อง ก, กังวลอยู่เลยว่าจะมีใครเข้ามาขโมยของหรือเปล่านี่ก็ทุกอี ก, กันนะแล้วทุกอกันที่สามก็คือเวลามันหายไปจริงๆมันก็ทุกอีกมันทุกตั้งแต่ต้นเลยทุกตั้งแต่ยังไม่ได้ พออยากได้ก็อยู่ไม่เป็นสุขนะกระวนกระวายกระสับกระส่ายพอได้มาก็ต้องมาทุกข์กับการห่วงห่วงใยแล้วห่วงกังวลแล้วต้องคอยดูแลรักษาแล้วพอมันหายไปก็ทุกข์อีกคนโง่ถึงเรีกว่าเราถึงเรียกว่าคนโง่คนที่ไปหาของที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของที่เราทุกคนหากันอยู่ทุกวันนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วพอมันจากเราไปเราก็โวยวายไม่สบายใจทุกใจกันนี่เรียกว่าคนโง่เพราะว่าเรากำลังหาความทุกข์กันเพราะคนโง่คิดว่าเป็นความสุขใช่ไหมทุกคนคิดว่าได้นู่นได้นี่มาแล้วจะเป็นความสุข ได้เงินได้ทองมาได้ตำแหน่งได้เป็นนายกได้เป็นอะไรเนี่ยคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขมันก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆเลี้ยงฉลองกันดีใจกันใหญ่แล้วทีนี้เวลานั่งมานั่งกังวลกับมานนี่มาห่วงได้ตำแหน่งแล้วก็ไม่รู้จะถูกปลดเมื่อไหร่จะหมดวาระมาเมื่อไหร่ บางทีมันไม่ครบวาระมันก็หมดมันก็หมดไปได้เห็นไหยเป็นนักการเมืองนี่เขาเขาต้องทําใจอยู่เรื่อยๆว่ามันจะปฏิวัติเมื่อไหร่วะ <c oughs> <c oughs> นี่คือเรื่องของคนโง่พวกเราเนี่ยโง่หมดเนี่ยมีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นั้นๆนะที่ไม่โง่พระพุทธเจ้าท่านยังไม่เอาเนี่ยท่านมีลาบยศ สรรเสริญของพระราชกคูมานท่านก็ไม่เอาเพราะท่านรู้ว่ามันทําให้ต้องห่วงต้องห่วงต้องกังวลไม่รู้ว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่แล้วเวลาหมดก็ก็เศร้าใจเสียใจใช่หไหมในหลวงพอท่านจากไปก็เศร้าใจเสียใจมีใครดีใจไม่มีทุกอย่างมัน เป็นของที่มีวันสิ้นสุดอย่าไปอยากได้มันเพราะว่าเวลามันหมดมันจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันเวลามันไม่หมดมันก็ทำให้เรากังวลใจทำให้เราห่วงวิตกไปต่างๆนานาหาสิ่งที่มันไม่หมดดีกว่าอะไรที่ไม่หมดนะก็คือธรรมะนี่แหละความสงบนี่แหละ ถ้าเรามีธรรมะมีความสงบมีสติมีปัญญานี่ที่ทำให้ใจเราสงบใจเราจะสุขไปตลอดเวลาไม่มีใครมาแย่งความสุขจากความสงบนี้ไปได้ไม่มีอะไรจะทำให้ความสุขนี้หายไปแม้แต่ร่างกายนี้ตายไปมันก็ไม่สามารถล้างความสุขที่ได้จากความสงบ ถ้าเป็นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี่พอร่างกายตายไปนี้มันล้างไปหมดเลยความสุขที่ได้จากเข้าของเงินทองต่างๆนี่มันจะหายไปหมด เ, เวลาตายนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยอัน <c oughs> ต้องรู้จักว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยง อะไรเป็นของเราอะไรไม่ได้เป็นของเราออย่างนี้ถึงเรียกว่าคนฉลาดพระพุทธเจ้ารู้ว่าลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราท่านจึงไม่เอากันไงมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนท่านมีลาบยศสารเสริญท่านหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปเดินเหมือนพวกเราเพราะท่านพบกับความสุขที่ เที่ยงที่เป็นความสุขท่านพบสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เที่ยงแท้แน่นอนที่เป็นของท่านเป็นของของคนที่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือความสงบของใจเนี่ยท่านถึงพูดว่านัตติสันติปลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเพราะความสุขแบบอื่นนี่เป็นความทุกข์เพราะว่ามันต้องเสื่อมมันต้องหมด ต้องมีการพัดพ้าจากกันเวลาพัดพาาจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นหรือบุคคล น, นั้นก็จะหายไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจพวกเรากำลังหาความทุกข์กันพวกเราเป็นโง่กันทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราไปคิดความสุขปลอมว่าเป็นความสุขที่แท้จริง ความสุขปลอมก็คือความทุกข์นี่เองเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนแบงค์ปลอมเนี่ยแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงอันไหนจะดีกว่ากันแบงค์ปลอมนี่เอาไปใช้ดีไม่ดีเดี๋ยวถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเองติดคุกติดตารางหรือบางทีใช้ก็ไม่มีคนเขาเอาพวกเรากำลังเอาของปลอมกันหาของปลอมกัน ของจริงเราไม่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดจรู้คนพบของแท้ของจริงเราจะไม่มีวันรู้กันเลยชาตา น, นี้พวกเราถือว่าโชคดีมหาศาลที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะบอกเราให้หาของแท้ของจริงหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ ถ้าวรความสุขที่เป็นของเราตลอดนความสุขที่จะไม่มีวันกลายเป็นความทุกข์ไปนั่นก็คือความสงบของใจนั้นให้พวกเรามาหาความสงบกันดีกว่าอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเนี่ยบล็อกภาพยนตร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นบล็นิพนธนดีกว่า มาหาความสุขกันจากความสงบดีวกว่ามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบมาหยุดความอยากกันแล้วใจจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องไปดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูกี่เรื่องมันก็ต้องดูไปเรื่อยๆพอไม่ได้ดูแล้วก็เหงาว้าเวขึ้นมาก็เลยต้องคอยดูอยู่เรื่อยๆต้องคอยติดตามข่าวข้าว ของหนังว่ามีหนังเรื่องใหม่ออกมาหรื อ, อยังเรื่องนี้ดีไม่ดีคนก็ามาวิาพากวิจยัยกันแล้วก็ไปดูกันดูเสร็จแล้วก็ผ่านไปผ่านมากี่ร้อยเรื่องแล้วไอ้เรื่องที่ได้ดูมานี่มันผ่านไปหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่พอใช่ก็ยังต้องดูกัอนอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดไม่ได้ดูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์ขึ้นมาเมื่อ น, นั้น น, นะความสุขปลอมนี่ความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้เติมเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อ น, นั้นเหมือนยาเสพติดเองแต่ว่ามันไม่ผิดกฎหมายและมันไม่รุนแรงเหมือนกับยาเสพติดนั่นเอยคนที่ติดหนังเราไม่ได้ดูหนังดูสักวันเลยหงดเงียดขึ้นมาแล้เหมือนติดยาเสพติดนะพวกเรากำลังมาติด ยาเสพติดกันลาบยศสรรเสารูปเสียงเกินวันนี้เป็นเหมือนยาเสพติดติดลาบหาเงินกันทุกวันเนยะหาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอยศก็ตำแหน่งอยากจะเลื่อนขั้นอยู่เรื่อยๆเป็นในสิบก็อยากจะเลื่อนเป็นในร้อยในร้อยก็อยากจะเลื่อนเป็นในพันในพันก็อยากจะเลื่อนเป็นในหมื่นนะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนไปเท่าไหร่ก็ไม่พอ พรสิ่งเหล่านี้มันมันไม่มีคําว่าพอมันมีแต่จะหมดอยู่เรื่อยๆได้มาดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปแล้วจะให้ดีใจใหม่ก็ต้องได้ของใหม่ดูหนังเก่าซ้ํ า, สากสักสองสามครั้งดูได้มไหมเนี่ยถ้าสิบครั้งไม่ได้นะเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ให้ดูเรื่องซ้ำอี้ถ้ามันดีจริงทำไมดูไม่ได้ล่ะเข้าใจไม ถ้ามันสุขจริงมันต้องดูแล้วมันต้องสุขทุกครั้งสิจริงนะเนะั้อแสดงว่าสุขปลอมนะถ้าสุขจริงเนี่ยทุกครั้งที่ดูมันต้องมีความสุขสุขจริงคือความสงบเนี่ยทุกครั้งที่นั่งแล้วใจสงบนี้มันสุขทุกครั้งมันไม่มีวันที่จะทำให้เราไม่สุขมันไม่มีวันที่จะทำให้เราเบื่อนี่แหละคือความสุขจริงเที่งแท้แน่นอนถาวร เปลี่ยนแปลงคือความสุขจริงคือความสงบนะมาหาความสุขจริงกันดีกว่าดูพระพุทธเจ้าท่านทำตัวท่านเป็นตัวอย่างให้เราดูกันเนี่ยท่านเคยเคยหาความสุขปลอมเหมือนพวกเราท่านเคยอยู่ในวังใครจะมีความสุขกับคนที่อยู่ในวังว่าคนนอกวังคนในวังนี่ใครจะมีความสุขมากกว่ า, ากันของดีทุกชนิดนี่ส่งไปในวังก่อนใช่อาหารการกินเครื่องดืม่ม อะไรภาพประยนต์บันเทิงอะไรต่างๆนี้ในวังนี้ ส, สั่งสั่งสั่งเอาก่อนได้เลย <S 1> <1> <S แล้วเป็นไงอยู่แล้วก็ดูแล้วก็เบื่อดูแล้วก็เหมือนเดิมกินแล้วก็เหมือนเดิมกินแล้วเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากกินใหม่โอต้าจ้าก็เลยบอกนี่ไม่ใช่ทางแล้วต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายยิ่งลําบากใหญ่ ต่อไปจะจะเสพลูกเสียงกลิ่นลดไม่ได้นะเวลาแก่เวลาแก่ตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีดูหนังก็ดูมัวมัวเสียงก็ดังไม่ค่อยได้ยินต่อไปมันจะหาความสุขจากของพวกนี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นมันจะมันจะทุกข์คนที่แก่คนที่เป็น โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถทำให้ใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็มักจะคิดฆ่าตัวตายกันเพราะอยู่ไปก็หาความสุขไม่ได้พวกเรากำลังเดินไปสู่ความทุกข์กันเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายขณะตอนนี้ร่างกายแข็งแรงก็ยังทุกข์กันเลยเราคิดถึงตอนที่ร่างกายไม่แข็งแรงดี๋มันจะทุกข์มากขนาดไหน ตอนนี้ทุกข์เพราะว่าอยากได้แล้วหามาไม่ได้แต่ตอนที่ร่างกายแก่อยากได้ถึงแม้จะหามาได้แต่ก็ก็ดูไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้เอ็พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไปหาความสุขแท้ดีกว่าท่านมีความสุขแท้อยู่ที่ไหนท่านจะไปหาเหมาือนท่านก็ได้ข่าวว่าคนที่เป็นนักบวชเนี่ยเขากำลังไปหาความสุขแท้กัน ก็เลยออกบวชไปตามทดลองดูไปพิสูจน์ว่ามีจริงไหมความสุขแท้ตามต้นก็ได้พบความสุขแท้ชั่วคราวเวลานั่งสมาธิจิตสงบก็สุขพอออกจากสมาธิมาพอปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใหม่นี้พระพุทธเจ้าอยากจะได้พบกับความสุขที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสุข สุขทั้งอยู่ในสมาธิสุขทั้งขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิก็เลยลองคน้นคว้าพิสูจน์ทดลองดูลองผิดลองถูกดูโดในที่สุดก็ค้นพบว่าความสุขแท้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่เกิดจากอะไรเกิดจากการหยุดความอยากนีเ่เวลาเกิดความอยากแล้วหยุดมันได้ใจก็จะสุขขึ้นมาทันที สังเกตดูเวลาเราอยากได้แล้วเราวุ่นวายใจพอเราเปลี่ยนใจไม่เอามันก็ได้วะพอคิดแค่นี้ปั๊บหายวุ่นวายใจเลยนะสงบเลยมีความสบายเลยยุ่งยากนักไม่เอามันก็ได้พอเราตัดใจไดนะ้ตัดความอยากได้ใจที่วุ่นวายก็หายชุ่นวายใจก็สงบขึ้นมาใจก็สุขขึ้นมาสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ สุกด้วยการฝืนความอยากทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ไม่สูบมันก็ได้วะอ๋อไม่สูบมันได้ปั๊บเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปอยากอะไรเหมือนกันทั้งมดอยากดื่มกาแฟาอยากไปเที่ยวอยากไปชอปปิง้งอยากจะไปซื้อของไม่จำเป็นต่างๆอยากไปดูภาพยนตร์ ไม่ดูก็ได้วะคิดอย่างนี้เนี่ยไม่เอาก็ได้ถ้าเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนใจเราได้เราจะสบายเปลี่ยนจากอยากมาเป็นไม่อยากเท่านั้นเองเปลี่ยนได้ไั้ยน้องเปลี่ยนดูสิเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจมันวุ่นวายอยากได้แฟนเนี่ยโอ้ยวุ่นวายัหมคอยไปตามจีบไปคอยอะไรคอยรับใช้คอยอะไรเขา สองกว่าจะขอให้เข้ามาเป็นแฟนได้นี่แหมแสนจะเหนื่อยแสนจะยากถ้ารู้ว่ามันเหนื่อยมันยากนะก็อย่าไปมีมันเลยดีกว่าอย่าไปอยากมีแฟนปับ๊บมันก็สบายล่ะไม่ต้องไปดิ้นหลนไม่ต้องไปหาแฟนไม่ต้องไปคอยเอาจกเอาใจแฟนนี่ละ ขอให้เราคอยสังเกตดูเวลาเราไม่สบายใจเมื่อะไหร่ลองถามตัวเราเองว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไรเรากำลังอยากอะไรอยู่อยากให้ลูกดีเหรอก็ช่างหวัวมันมันจะดีไม่ดีมันก็เรื่องของมันเราสอนมันแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วก็แล้ว ก, กันบอกมันแล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีกินเหล้าไม่ดีมึงจะกินก็นเรื่องของมึงคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะสบายใจ แต่ถ้าไปอยากให้มันไม่กินก็มันทุกครั้งเห็นมันเทเหล่ากินเหล้าขึ้นมาก็ไม่สบายใจขึ้นมาใ ช, ใช่เราต้องมาแก้ที่ตัวเราเนี่ยความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดความอยากถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้หยุดความอยากให้ได้กลจะหยุดไม่ได้สิเพราะถ้าไม่มีสมาธิมันยิ่งไม่มีกำลังใหญ่สมาธินี่ความสงบนี้มันช่วยทำให้เรามีกำลัง หยุดความอยากได้ถ้าไม่มีความสงบเนี่ยทำยังไงก็หยุดความอยากไม่ได้พวกติดยาเสพติดเนี่ยถ้าจับก็ามานั่งสมาธิได้เนี่ยเลิกได้ทุกคนแต่จับมานั่งไม่ได้ เ, เพราะว่ามันไม่มีกําลังที่จะมานั่งอืพอมันอยากแล้วมันต้องไปหาของที่มันอยากอย่างเดียวอันนี่คือเรื่องของความฉลาด กุศลหรืออกุศลอกุศลก็คืออวิชชาเนี่ยความไม่ฉลาดกุศลก็คือวิชาความรู้ความฉลาดปัญญาสัมมาทิฐิเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดอาวิชชาโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้อกุศลเนี่ยเป็นความไม่ฉลาดเป็นความโง่ ถ้าถึงให้เราครบบัณฑิตบัณฑิตก็แปลว่าคนฉลาดเนี่ยไม่ให้คบคนพาลคนพาลเป็นคนโง่คนพาล น, นี้แปลว่าโง่คนโง่คบกับคนโง่มันก็จะพาให้เราไปโง่ด้วยคนโง่คือคนอะไรคนที่ชอบกินเหล้าเมายาคนที่เที่ยวที่เล่นไม่ชอบทำงานไม่ชอบเรียนหนังสืออย่างนี้ก็เป็นคนโง่ระดับหนึ่ง ทุกคนในโลกนี้มันโง่หมดนะถ้าจะไล่ไปเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้เป็นผ้าอาหารนี่ถือว่าโง่ทั้งนั้นนะเพราะยังหลงอยู่ยังยังหลงกับสิ่งที่เป็นทุกข์คิดว่าเป็นสุขยังหลงกับลาบยศจรละเสริญอยู่ยังหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เนี่ยเรียวก็ยังเป็นคนโง่ทั้งนั้นคนที่ฉลาดนี้เขาไม่เสพ ข, ของเหล่านี้ ก็ไม่หาลาบยศสรรเสริญก็ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเขาหาความสุขจากการหยุดความอยากหาหาความสุขจากการทำใจให้สงบทำใจให้สงบนี้ทำได้สองวิธีวิธีชั่วคราวก็คือใช้สติหยุดความคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปวิธีที่สองก็คือหยุดความอยากทุกครั้งที่อยากจะได้อะไรไม่เอามันเปลี่ยนใจมันไม่เอามัน ทุกครั้งอยากจะได้นั่นได้นี่ไม่เอามันพอไม่ไม่อยากได้แล้วก็สบายใจขึ้นมาพออยากได้แล้วก็ยางถ้ายัางไม่ได้ก็กังวลกระวายแล้วพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ได้อยากจะได้ของใหม่ขึ้นใหม่ก็ความอยากมันจะไม่มีวันหมดถ้าเราปล่อยปล่อยให้มันทำตามความอยาก ความอยากมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราหยุดความอยากฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าเราไปทำตามความอยากมันจะมีความอยากใหม่ตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเกิดความอยากใจเราก็วุ่นวายแล้วสิกระวนกระวายกระสับกระส่ายถ้าอยากมากๆมือไม้สั่นก็มีใจสัน่นมือไม้สั่นไปแต่ถ้าเราเห็นโทษว่ามันนี่เกิดจากความอยากเปลี่ยนใจสะไม่เอามันก็ได้ ถ้าเปลี่ยนได้ปั๊ความอยากนี้มันจะหายไปเลยความกังวลกังวายความอะไรต่างๆจะหายไปเลยในเวลาคนใกล้าตายนี้ก็ทุกทรมานใจเพราะอยากไม่ตายกันใช่ไหพอรู้ว่ามันยังไงก็ต้องตายยอมตายเถอะเปลี่ยนใจตายก็ตายวะมันใจจะสงบเลยถ้าเวลาเราใกล้าตายแล้วเราทุกเนี่ยพยายามเปลี่ยนใจอย่าไปอยากอยู่เลยอย่าไปอยากไม่ตายเลย ความอยากไม่ตายนี่แหละมันทำให้เราทรมานใจพอเรายอมตายได้ปั๊บมันจะหายเลยมันจะเย็นจะสบายจะสุขขึ้นมาทันทีตายด้วยความสุขเนี่ยถ้ายอมตายแล้วตายตายอย่างมีความสุขถ้าไม่ยอมตายนี่ตายอย่างทรมานตายเหมือนกันแต่มีวิธีตายสองแบบตายแบบสุขกับตายแบบทรมาน ตายแบบสุขก็คือยอมตายถ้าถึงเวลามันต้องตายแล้วก็วอยอมตายซะเปลี่ยนใจอย่าไปอยากไม่ตายถ้าอยากไม่ตายแล้วจะทรมานถ้ายอมตายแล้วจะหายทรมานจะสุขเวลาเจ็บก็เหมือนกันอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งทรมานใหญ่ยอมเจ็บซะมึงจะเจ็บเจ็บไปเจ็บมากกว่านี้ไม่ได้เดย้ามันดูเลยถามมันดู ต้องเป็นสาดิตซะหน่อยแล้วจะสบายพวกสาดิตเขาไม่เขาไม่กลัวความเจ็บกันใช่ไหเห็นไมพวกที่เขาเอาของแหลมทิ่มปากทิ่มทิ่มทิ่มหน้าทิ่มตาเขาเนี่ยเขาเจ็บไหมเขาไม่เจ็บหรอกเขายอมเจ็บพอเขายอมเจ็บแล้วมันไม่เจ็บหรอกมันไม่ทรมานถึงแม้มันจะเจ็บแต่มันไม่ทรมานแต่คนที่ไม่ไม่ยอมเจ็บนี่ ยังไม่ทันยังไม่ทันเอาเข็มฉีดเลยเพียงแต่พูดเท่านั้นก็ก็ทรมานขึ้นมาแล้วหมอบอกเดี๋ยววันนี้จะฉีดยายให้ถ้าเข็มตรงยังไม่ทันฉีดเลยใจทรมานขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้ายอมอะ่ะหมอจะฉีดกี่เข็มก็เอาเลยฉีดไปเลยอเวลาไปฝังเข็มนี่ยเขาฝังมกี่เข็มในชะ่ไหมเก็ปล่อยเขาฝังไปพอยอมไม่เขาฝังแล้วไม่เจ็บหรอไม่ไม่มันไม่ทรมาน แต่ถ้าไม่ยอมนี่มันทรมานะงั้นเราหัดมาเปลี่ยนวิธีคิดกันดีกว่ามาเปลี่ยนวิธีหยุดความอยากกันเวลาเราไม่สบายใจขึ้นมาเมื่อไหร่ถามเราถามตัวเราเองแล้วว่าตอนนี้เรากำลังไม่สบายใจกับอะไรอยากได้อะไรถ้ารู้ว่าอยากได้อะไรแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาก็ได้วะพอไม่เอาท่านั้นเปลี่ยนใจได้ปั๊บหายทรมานเลยแทนอยากจะจากไปทรมานใจ เพราะไม่พ อ, อยากไม่ให้เขาจากไปทีมองไปมองมาเขาจะไปอยู่ดีจะจะอยากไม่อยากเขาก็ไปก็ยอมเลยอยากจะไปก็ไปเปลี่ยนใจอยากไปอยากให้เขาอยู่มันก็หายทุกข์ขึ้นมาทีเรื่องทั้งหมดนี่อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเรานะเราต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้หรือหรือมีอยู่แล้วเนี่ย มันจะต้องทำให้เราทุกวันใดวันหนึ่งเพราะมันจะต้องมีการพักภาาจากกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมันจะต้องมีวันหมดมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวนี่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมให้มันจากไปอย่าไปอยากให้มันไม่จากเราไป ถ้าเกิดความอยากไม่ให้จากไปแล้วเวลามันจะจากไปนี้มันจะทรมานใจมากแต่ถ้ารู้ว่ามันต้องไปอต้องไปก็ไปสาธุไปเลยเวลาเรามาเราก็ไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาแล้วทาไมเรามาได้ะเวลามาลราอะไรมาบ้างไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ก็ของพ่อแม่เรามาขอรับร่างกายจากพ่อแม่ แเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาอะไรต่างๆมาเพิ่มเติมหาแฟนหาสามีหาภรรยาหาลูกหาทรัพย์สมบัติหาข้าวของเงินทองอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปเราเอาอะไรไปได้ของมุงนี้เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวร่างกายนี้ก็ยังเอาไปไม่ได้ร่างกายก็ต้องคืนแผ่นดินไปเป็นของแผ่นดินเป็นดินไงดินน้ำนุงใย เราต้องเตือนใจเราสอนใจเราเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางกันไม่ยึดไม่ติดไม่อยากกันแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเราไม่สอนใจเราลืมเราจะหลงเราจะไปคิดว่าเราจะอยู่กับมันไปตลอดมันจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วพอวันดีขึ้นดีมันไม่มามันไม่อยู่กับเรามันจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแล้วมันก็ไปอยู่แล้ว จะร้องไม่ร้องมันก็ไปมันไม่กลับมาแล้วแต่ก็ร้องกันร้องไปทาไมร้องเราได้อะไรร้องเราไมนกลับมาหรือเปล่าแต่ที่ร้องเพราะมันห้ามใจไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนว่าเขาจะไปเนี่ยพอเขาไปเราจไม่ต้องร้องเราจะไม่ร้องร้องไปทำไมร้องก็ไม่ได้อะไรร้องเขาก็ไม่กลับมาร้องก็ได้ได้แต่ความทุกข์ใจเท่านั้นเองนี่คือความฉลาด อันตราก็คือต้องเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งจะต้องมีวันจากไปของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่แม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลาที่เราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆ เอาไปได้ก็คือความฉลาดกับความโง่ทั้งนี้คนที่เอาความฉลาดไปก็ไปสบายไปแบบไม่ทรมานคนที่เอาความโง่ไปก็ไปแบบทรมานร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่คือเรื่องของความฉลาดคือกุศลอกุศลก็คือความโง่ความไม่ฉลาด ที่วันนี้ญาติโยมได้มาถามกันก็เลยได้คุยได้สนทนากันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรยะทาวาริกวะหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตานาังอุปกา ป, ปติ อิทิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจัตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะหราโสยถามะนิโชติหระโสยถาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทานสีรทธานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลัง เปิดตรงไหนรเนี้ยบอกให้ลูกอได้อันีก็เปนดี๋ยว้ง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายตอนที่มารับปาทุกวันบอกว่าให้ก่ถึงเร็วถึงถึงหไม่ออาจารย์ถึงเร็วนี่จะขอผมไปบูชาอันนี้ยังไม่ถึงใหญ่เลยถ้าผมไปบูชาหลงทางแล้วงทางเดี๋วมาไม่ถึงพอขอผมเนี่ยเอาะไปะถึงที่บก็ม ดีสาธุสาธุอ่ะเข้ามากลับแล้วเหรอกลับบ้านไ้เลยถ้าไปเจอท่านสุจัยก็ฝากกลับด้วยนะท่านทราบละมา่ากทราบละอยาอฝากท่านกลับท่านขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะ วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่มันมีเฟซบุ๊กสูงสุด467ค่ะ u t u b e มี96ค่ะทิวมี3ทิวมี3 <laughs> 24ชั่วโมงนล้ววิทิวเนี่ย <laughs> ลองเข้าไปดูเวลาไหนก็มีแต่มีคนฟังอยู่คนเดียว <laughs> <laughs> <laughs> คนไม่รู้กันนะเรื่อ ว, ว่ามันไม่สำคัญนะเดี๋ยวนี้มีทางอื่น <laughs> ดูได้เยอะ ้15ถึงวันที่27ทาง BTV เขาจะถ่ายทอดพระราชพิธีนะครับเเลยถึงมดถ่ายทอดบงคร้งหมายถึงบางระมุมแคบวันเนี้ย บ, <อ>บาระมุมแ<อ>คบบา ง, งคถ่ายทอด3วัน<อ>แต่วันนี้ยังถ่ายทอดอยู่วันนี้ถทอดครับวันสุดท้ายค่ะเดี๋ยวพร<อ>ุ่งนี้ก็จะหยุดไป3วันนะครับ3อัอ ภาพภาพเขรายงานมาหรือเปล่าว่าภาพมันมัวหรือปัญชัดไหมอโอเคครับโ <Okay S 2> อเคนะครับเขาเ้าแคชของเขากว้างขอคับกว้างพอเขาเยอะพอครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหากันใครฟังแล้วไม่เข้าใจรืออยากจะถาม ทำในแง่ในมุมใดที่ไม่กระจ่างที่ยังสงสัยอยู่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาถามตอบปัญหากันอ่าเ ร, าเ ร, าาารื่ อ, นนองสงสัยที่หลวงพ่ออธิบายได้ไปจบไปเรื่องขันทอดหรือว่าเราเราแยกถ้าแยกขายอยู่แล้วก็ตอนนี้เรื่องสงสัยขึ้นมา ไปจำอะไรมาผิดๆก็ได้ว่าถันนี้เป็นวิบากแต่แต่ปยการบบนี่วิชาไปดูสังฆาระไรอางี้ยคะถ้ า, ถ า, ถาขันห้าเป็นวิบากแล้วมันจะนมันไม่เป็นวิบากม่ใช่วิบากมันมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่น้ำขันขนี่มันมอยู่กับมีอยู่กับใจตลอดเวลาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันมาจากใจส่วน ร่างกายรูปปัะขานี้มันมาจากดินน้ำลมไฟมันเกิดจากอาวิชาไปไปมีอุปทานมีความอยากได้ร่างกายมันก็เลยไปมีร่างกายเพราะฉะนั้นกุศลและวิบากกับ ก, กุศลวิบากนี้เกิดขึ้นากกุศลวิบากวิบากแปลว่าผลใหม <c oughs> ผลของกรรม คือสุขทุกข์นี่เรียกว่าวิบาก <Okay. S 1> ไปเกิดในภพต่างๆนี่เรียกว่าวิบากอ <Okay. S 1> ไปเกิดในอบายก็เป็นวิบากที่เกิดจากบาปทําบาปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน <Okay. S 1> เป็นเปนรด mm hmm. เป็นอสุลกายไปตกนรกเนี่ยในวิบากก็เก mm ิดมาจากตัวใจเนี่ยที่อยากจะไปกระทำกรรมที่อยากจะอยากอยากขึ้นมาแล้วก็ไปไปกระทำกรรมอ่ามัน mm hmm. ต้องไปทําบาปมันถึงจะไปอบาย <Okay. S 1> uh, ทําบุญก็ไป สวรรค์ถ้าหยุดการกระทำถ้าชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปรับผลวิบากไม่มีวิบากเพราะไม่ไปเกิดไม่มีภพชาติไม่มีอะไรต อ, อ, ยอยู่ที่ความสงบใจสงบนิ่งใจไม่ไปไหนแล้วถ้าไปก็ต้องไปรับผล มันถ้าอยู่ในบ้านนี้มันก็ไม่ต้องไปรับผลจากการที่ไปนั่งนั่งนั่งรถออกนอกบ้านถ้าไปนั่งรถออกนอกบ้านนี่เดี๋ยมันจะต้องเจอวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งรถติดบ้างรถชนเงยบ้างรถพลิกคว่มบ้างแต่ถ้าอยู่บ้านไม่ขับรถไปไหนมาไหนมันก็จะไม่มีวิบากทางรถยนต์ใช่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มาเกิดถ้าหยุดความอยากได้มันก็ไม่มาเกิด ก็ไม่มาเกิดมันก็จะไม่มาเจอความทุกข์เจออะไรต่างๆเจอทุกข์แล้วเจอสุขที่เกิดจากการที่เราทํามาในอดีตมันก็จะไม่มันไม่เกิดที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ใจมันไม่ไปไม่ไม่มาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนั่นคือมิจฉิที่เพื่อหลวงพ่อแปลาอะไรค่ะตายของเราทุกคนเนี่ย <dragging>, มันไม่มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีรูปมีร่างเหมือนร่างกายมันก็เลยไม่มีการเคลื่อนไหวทางแบบร่างกาย Awesome, มันไม่ต้องไปนู่นมานี่การเคลื่อนไหวของใจนี่มันอยู่ที่ความคิดหรือไม่คิดเวลาคิดมันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเวลามันหยุดคิดมันก็หยุดเคลื่อนไหวเวลามันนิ่งมันก็มันก็มันก็นิ่งเวลามันคิดมันก็ไม่นิ่งแต่มันไม่มีไม่มีไม่มีขนาดไม่มีรูปมีร่างเหมือนร่างกายมันก็เลยไม่ เมืนเราจะไปเปรียบเทียบร่างกายกับใจนี่มันไม่เหมือนกันเปรียบเทียบไม่ได้งั้นไปถามว่าใจอยู่ที่ไหนก็พูดไม่ได้ก็เพียงะบอกว่าอยู่ที่โลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกที่ไม่มีรูปหีือร่างแต่เป็นมีถ้ามีรูปมีร่างก็เป็นรูปร่างแบบที่เราเห็นในฝันเนี่ยเวลานอนหลับเนียฝันใจนี่แหละเป็นผู้สร้าง ร, รูปภาพต่างๆขึ้นมาฝันว่าเราไปนู่นฝันว่ามานี่ฝันว่าเราไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ ย, ยใจเป็นคนคิดปรุงแต่งขึ้นมาที่ฝันดีก็เพราะว่าเวลาที่ไม่ได้นอนหลับนี่ก็ไปทําความดีไว้ก็เหมือนไปถ่ายภาพดีๆเก็บไว้ในในเครื่องพอเวลานอนหลับก็เครื่องมันก็จะเอาภาพดีๆที่ไปถ่ายเอามาใช้เหมือนกับไป มารีเพลย์ใหม่เข้าใจไหมเวลาไปถ่ายภาพไม่ดีเวลานอนหลับมันก็เอาภาพไม่ดีมาฉายให้เราดูเวลาเราทำบาปเราไปทํำบาปเราก็ไปถ่ายภาพไม่ดีคือการกระทาโหดร้ายทารุณต่อผู้อื่นแล้วเวลาเรานอนหลับมันก็เอามาฉายแต่มันจะฉายกลับเหมือนกับเหมือนกับภาพที่เราเห็นในกระจกกระจกกับภาพที่เราเห็นนี่มันสลับกันใช่ไหม ซ้ายขวาขวาซ้ายใช่ไหมแตาเร า, เรามองเราในกระจกนี่เราจะเห็นว่าอด้านขวาของเรานี่มันเป็นด้านซ้ายใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามองคุณนี่เราเห็นว่าด้านขวาเราเนี่ยเป็นด้านซ้ายของคุณใช่ไหมมือขวาของเราแต่จะเป็นมือซ้ายของคุณแต่ในภาพจริงๆมันก็เป็นมือขวาของเราเนี่แหละแต่เราไปมองว่ามันเป็นมือซ้ายล่ะ ใช่ไหมพอเราทุกครั้งเรามองคนอื่นมันจะมองเห็นมือซ้ายของเขาอยู่ตรงการข้างกับมือขวาของเราเวลาฝันมันก็จะกลับกันฝันว่าไปทําร้ายคู่มันก็จะกลับมาทําร้ายเราแทนเวลานอนหลับมันก็จะฝันว่าคนนู้นคนนี้มาตามร่างตามข้าเรามาทําร้ายเรามากันแกล้งเราเวลาที่เราไม่ได้ฝันเวลาเราไปกันแกล้งคนอื่นเนี่ยมันก็มันจะมาฉายกลับกันให้เราดู เวลาทำบาปเนี่ยเวลาทำบาปเราสนุกสนานเฮฮาฆ่าเขากลั่นแกล้งเขาเบียดเบียนเขาแต่เวลานอนหลับมันจะกลับเป็นทางตรงข้ามเราจะถูกเขาเบียดเบียนถูกเขากั่นแกล้งเวลานอนหลับมันจึงมีฝันร้ายฝันดีเวลาฝันดีเขาเพราะว่าเวลาที่เราตื่นนี่เราไปทำความดีไปช่วยคนนั่นช่วยคนนี้เช่นมาทำบุญอย่างงี้เวลานอนหลับเราก็จะมีคนมาช่วยเรา มีคนมาบริการหาอาหารเนี่ยเรากินมามาหามาพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆมันจะเป็นฝันพิดกลับกันเมเหมือ น, นภาพในกระจกทำ่มที่ก็ดูทาไมเวลาที่เราเห็นรถที่เขาเข็นป้าย ambulanz ทำไมเขาต้องเขยนกลับกันเพราะเวลาดูในกระจกมันจะได้เห็นใช่ไมถ้ามองตรงๆมันก็เป็นภาพกลับกัน แต่พอเรามองจากกระจกมันก็เป็นภาพพลิกกลับได้อันนี้ก็แบบเดียวกันตัวอย่างทําไมเราฝันร้ายฝันดีที่เราฝันดีก็เพราะว่าเวลาเราตื่นนี่เราทําแต่ความดีใช่ ไ, ไหมพอเรานอนหลับความดีที่เราทํากับคนอื่นมันก็กลับมาในฝันคนอื่นกลับมาทําความดีให้กับเร า, าเวลาทําบาปทําร้ายผู้อื่นเวล า, านอนหลับผู้อื่นก็จะกลับมาทําร้ายเรา แล้วเวลาที่เรานอนหลับนี่มีนอนแบบสองแบบหลับแบบชั่วข่าวกับแบบแบบยาวแบบคือเวลาตายนี่มันก็เหมือนนอนหลับตอนนั้นจิตก็ไม่มีร่างกายเวลาที่เรานอนหลับชั่วค่าวตอนที่เราคืนแต่ละคืนที่เรานอนเวลาหลับจิตก็ไม่ได้ใช้ร่างกายมันก็เหมือนตายชั่วข่าวแล้วพอตายมันก็ฝันฝันดีก็เราก็เรียกว่าสวรรค์ ฝันร้ายก็เรียกว่าอบายเรียกว่านรกเรียกว่าเปรตฝันว่าเป็นนู่นเป็นปนีเน่เป็นอะไรต่างๆที่ไม่ดีแต่เวลาที่เราไม่มีร่างกายร่างกายนี้ตายไปนี้มันจะฝันยาวเพราะมันยังจะมันไม่มีร่างกายที่ให้มันมาตื่นต้องรอให้ได้ร่างกายอันใหม่ก่อนมันถึงจะตื่นได้พอเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยตื่นนะตื่นจากความฝันอันยาวนาน ไปฝันอยู่ในนรกฝันอยู่ในสวรรค์ไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีเพราะนานๆมันจะได้ร่างกายของมนุษย์สักครั้งหนึ่งมันถึงจะได้ตื่นขึ้นมานี่แหละคือเรื่องจิตของเรามันเป็นแบบนี้มันเหมือนตอนที่เรานอนหลับเราฝันไปเวลาเราตายเนี่ยตอนที่เราไม่มีร่างกายเนี่ยถ้าเราฝันดีแล้วก็เป็นเทวดากันถ้าเราฝันร้ายเราก็เป็นเปรตเป็นอะไรกันไปเป็นนรกกันไป นี่แหละเรียกว่าวิบา ก, กรรมแต่ถ้าพระอะหานันนี่ถ้าไม่ฝันนนั้ท่านหยุดท่านหยุดความคิดได้หยุดจิตได้ทําจิตให้สงบได้จิตมันก็ไม่ฝันไม่ฝันมันก็ไม่ไปนะลกมไม่ไปสวรรค์มันไม่ไปที่ไหนทั้งนั้นมันอยู่เฉยๆมันอยู่ที่ความสงบที่นั่นเราเรียกว่านิพพานความจริงมันไม่ใช่ที่หรอกเขาเรียกว่าสภาพจิตใจที่เหนือบุญเหนือบาปอย่างที่ว่า ไม่ไปยุ่งกับบาปกับบุญละไม่ไปฝันถึงเรื่องบาปไม่ไปฝันถึงเรื่องบุญถึงแม้จะเคยทําบุญทําบาปมาแต่หยุดมันได้มีพลังมีสติมีปัญญาที่จะหยุดจิตได้หยุดความคิดได้หยุดความฝันได้ถ้าเราใช้ชีวิตของเราทุกวันนี่เป็นความฝันทั้งนั้นฝันลืมตากับฝันหลับตาเนี่ยตอนนี้เราก็ฝันลืมตากันเดี๋ยวพอเรานอนหลับแล้วก็ฝันหลับตาไปมีแต่ความฝันเนี่ย แล้วฝันแล้วมันก็ผ่านไปใช่ไหมทำอะไรทํามาไปกินที่ไหนมาไปเที่ยวที่ไหนมามันก็หมดไปละจับมันได้มั้ยจับตั้งมันได้นะ้ยเมื่อวานนี้ไปเที่ยวที่นู่นเมื่อวานนี้ไปเที่ยวที่นี่มีความสุขเหนือหลายเดี๋ยวี้หายไปไหนหมดละมันก็เหมือนนี่ข้อความฝันเนี่ยมื่อวานนี้เราฝันว่าเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ตื่นขึ้นมามันก็หายไปแล้ะชาติก่อนเราเคยไปเป็นอะไรพอเรามาเกิดมาเป็นชาตินี้มันก็หายไปหมดแล้ะ พระพุทธเจ้าท่านเลึกชาติได้ท่านก็มาเล่าให้ฟังเคยเป็นพระเวชสันดรเคยเป็นพระเตมีเคยเป็นพร ะ, ะมหาชนกเนี่ยพระเจ้าสิบชาตินี้ก็คือชาตาิต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านจำได้แล้วท่านก็เอามาเล่ า, เามาสอนพวกเราให้รู้ว่าเป็นเป็นชาติที่ท่านบำเพ็ญบารมีแต่และชนิดสมัยเป็นพระเวชสันดรก็มีโอกาสได้บำเพ็ญทานบารมี หมายเป็นพระมหาชนกก็ต้องบำเพ็ญวิริยะบาลมีเพราะลอยคออยู่กลางทะเลถ้าคี้เกียก็จมตายถ้าขยานันไหวก็ไม่ตายเนี่ยมันท่านก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาสอนพวกเราเป็นอดีตของท่า น, นมันก็เป็นเหมือนกับความฝันนี่มันผ่านไปแล้วของทุกอย่างนี่มันเป็นเหมือนฝันเนี่ยเราเดี๋ยวอีกตรงนี้ตอนนี้มันเหมือนของจริงเนี่ย เดี๋ยวพอเราจากที่นี่ไปมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเป็นเหมือนความฝันไปแล้วเหมือนเมื่อเช้านี้เราไปทำอะไรมามันกลับมาไม่ได้ไมมันไม่กลับมาแล้วเมื่อเช้านี้เหตุการณ์ที่เราทำไปเมื่อเช้าจะดีหรือจะชั่วมันก็ผ่านไปแล้วแต่บางทีเรายังชอบไปดึงมันกลับมาเอาอาดีตอันหวานมาคิดคิดแล้วก็เศร้าอยากจะได้มันคืนมาไปสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกยันอย่าไปคิดเลยอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ให้จิตอยู่กับปัจจุบันดีกว่ามิจฉาอยู่ปัจจุบันได้ก็ต้องมีสติคอยหยุดความคิดความคิดความฝันเนีไงเวลาเราคิดก็เหมือนเราฝันแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับความจริงแต่เป็นความจริงชั่วคราวความจริงเดี๋ยวเดียวเกิดปั๊บก็ผ่านไปละเกิดปั๊บก็ผ่านไปละใครด่าเรามันก็ผ่านไปละใครชมเรามันก็ผ่านไปละแต่เรามันชอบดึงกลับมา ใครด่าเราก็คิดบางทีเขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังคิดอยู่ถึงเขาด่าเราอยู่อีกคิดแล้วก็ทุกข์ไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็ผ่านไปแล้วมันจะร้ายกาศขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนมันก็ผ่านไปแล้วจิตเราเหมือนน้ำนํำน้ําถ้าเราเอาอะไรโยนลงไปมันก็เกิดขึ้นขึ้นกระเพื่ม ข, ขึ้นมาเราเดี๋ยวพอกระเพื่มปั๊บมันก็หายไปแล้วแล้วเราก็ไปทํามันใหม่ ถ้าเราไม่คิดมันก็จะนิ่งไปตลอดแต่ถ้าเราคิดมันก็กระเพิ่มกระเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆเรามาพัดหัดหยุดความคิดกันดีกว่าเพราะนั่นแหละคือความสุขความสุขที่แท้จริงของใจเราเนี่ยอยู่ที่ความนิ่งอยู่ที่ความไม่คิดหรือถ้าคิดก็คิดไปในทางที่มันไม่กระเพิ่มคิดไปในทางที่ไม่อยากถ้าอยากแล้วมันจะกระเพิ่ม แต่ถ้าคิดไปในทางไม่อยากมันก็จะนิ่งเช่นมันอยากได้อะไรนี่ใจมันสั่นไม่หมดพอเปลี่ยนใจได้ไม่เอามันหยุดมันซะเปลี่ยนใจไม่เอามันเสียปั๊บเดี๋ยวใจก็หายสัน่นใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วก็มีความสบายให้กลับมาอยู่ที่ผู้รู้ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับผู้รู้เราช่วอยู่กับผู้คิดคิดทั้งวันทั้งคืน แล้วก็วุ่นวายไปกับความคิดนะถ้าเรากลับมาอยู่กับผู้รู้แล้วใจสงบจะเย็นจะสบายพระพุทธเจ้าจึงเรียกตัวพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าว่าพุทธโธพุทธโธแปลว่าผู้รู้ท่านได้พบผู้รู้แล้วเมื่อก่อนท่านอยู่กับผู้คิดนะแล้วตอนหลังท่านมาตัดสู้ว่าอยู่กับผู้รู้สบายกว่าเพราะอยู่ที่อยู่กับผู้รู้ใจมันนิ่งมันสงบถ้ารู้เฉยๆไม่คิดอะไรมันจะนิ่งมันจะสงบมันจะมีความสุข พุทธะแปลว่าผู้รู้ใจเรามีสองส่วนมีผู้รู้กับผู้คิดแต่เราอยู่หลงอยู่กับผู้คิดอยู่กับผู้คิดมาตลอดยี่สสี่ชั่วโมงมาตลอดไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วคิดมันไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปทำตามความคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาแล้วก็ดีใจเสียใจแล้วก็ไปทำบุญทำบาป ก, กัความคิดของเรานี่ตามความคิดของเรา ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดพอหยุดคิดปั๊บมันจะไม่มีตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดหยุดคิดหยุดอยากปั๊บนี่มันไม่มีไม่มีกําลังจะไปไหนแล้วถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนไม่มีน้ํามันแลถ้าเรามีน้ํามันในรถนี่เราเททิ้งออกไปให้หมดถ่ายทิ้งออกไปให้หมดไม่ต้องกลัวใครมาขโมยรถอมันไปไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํามันรถมันเอาไปไม่ได้ จิตเราถ้าไม่มีน้ำมันมันก็ไม่ไปเกิดมันไม่ไปท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ตอนนี้เรามีน้ำมันเยอะความอยากของเรามันเหลือเฟือมีตลอดเวลาเตยขึ้นมาก็อยากแล้วอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากดูนั่นอยากฟังนี่พ อ, อได้ดูได้ฟังแล้วก็ไม่อิ่มไม่พออยากอีกต้องมากอีกต้องได้อีกจนกระทั่งเหนื่อยไม่มีแรงก็พักผ่อนหลับนอน เวลานอนหลับบางทีมันก็ไปเยอะมันก็ไปฝันอกีกใจเรามันเป็นอย่างเนี้ใจเรามันอยู่กับผู้คิดแล้วไปเลยทําให้เราวุ่นวายกันถ้าเราหยุดคิดได้ปั๊บเราก็จะอยู่กับผู้รู้พอผู้คิดหายไปก็ผู้รู้ก็จะผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นผู้รู้อยู่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ถูกผู้คิดบังเอาไว้เหมือนจอทีวีเนี่ยมันถูกภาพที่เราเปิดเวลาเราเปิดภาพเวลาเราเปิดทีวีนี่ จอมันหายไปมีแต่ภาพปรากฏบางบนจอตัวตัวจอจ ร, จริงๆมองไม่เห็นนแต่เห็นว่าจอจริงๆนี่เป็นยังไงเราต้องปิดภาพก่อนนพอปิดทีวีปั๊ภาพไม่มีแล้วทีนี้นก็มีเห็นจอชัดแล้วนี่คือจอจอเป็นอย่างนี้ใจเราก็เหมือนกันเรามีผู้รู้บางผู้มีผู้คิดบางผู้รู้อยู่พอเราทําหยุดผู้คิดได้ผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาเราจะรู้ว่าการอยู่กับผู้รู้นี้สบาย รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ <ST AN CH> เห็นอะไรก็รู้ไปเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปคิดอยากได้ขึ้นมาแล้วอยากไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกข์แล้วได้ของที่ไม่ชอบก็ทุกข์แล้วเพราะอยากไม่ได้ได้ของที่ชอบไม่ได้ของที่ชอบอยากได้ก็ทุกข์แล้แต่ถ้าดูเฉยๆแบบยินดีตามมีตามเกิดนี้จะไม่ทุกข์ได้อะไรมาก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปคิดว่าอยากจะเอาอย่างนั้นอยากจะเอาอย่างนี้ ได้ทั้งนั้นได้อะไรมาก็ดีทั้งนั้นไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยสบายกว่าก็ต้องพุทโธพุทโธถึงจะหยุดความความอยากความจู้จี้จุกจิกของเราได้หยุดความคิดได้ความจู้จี้จุกจิกความอยากมันก็มาจากความคิดของเราเนี่ยถ้าเราหยุดหยุดมันได้ถ้าเราใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปใจมันก็จะเฉย มันมันก็จะหยุดคิดมันก็จะอยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับผู้รู้อ่าว่ามาดังๆหน่อยจิจยยตัวเดียวกันแต่เหมือนกับผู้หญิงเนี่ยตอนเด็กก็เป็นเด็กหญิงพอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นนางสาวพอมีสามีก็เป็นนางพอแก่ก็เป็นยายเป็นย่ามันก็เปลี่ยนสถานภาพไป จิตก็มักจะรจะพูดถึงตัวคิดเนี่ยหรือว่าตัวจิตตัวตัวใจนี่เรามักจะพูดถึงตัวรู้จิตใจแต่บางทีก็สลับแทนกันได้แล้วแต่คนใช้บางทีก็ใช้ใจเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้รู้ก็ได้มันสลับกันได้ดังนั้นอย่าไปอย่าไปติดกับคําหมายของมันมากจนเกินไปให้รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วเวลาไม่มีน่างกายเราก็เรียกมันว่าดวงวิญญาณะ เวลาใจไม่ออกจากร่างกายไม่ได้ติดต่อกับร่างกายตัดขาดจากการเชื่อมต่อกันใจนี้ก็เลยเราก็เรียกดวงวิญญาณดวงวิญญาณไปแล้วไปไปเกิดในสวรรค์ไปไปเกิดในสวรรค์ก็คือไปฝันฝันดีถ้าฝันดีก็ไปเกิดในสวรรค์เหมนี้ก็ยึดไปเกิดในสวรรค์ก็คือใจที่ฝันดีเป็นสวรรค์เป็นสุขเนสวสวรสวรค์เป็นสุขใจที่ฝันร้ายก็เป็นทุกข์เป็นอารมณ์เท่านั้นเอง ใจไม่ได้ไปไหนละมันก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่แต่ว่ามันจะฝันดีหรือฝันร้ายคิดดีหรือคิดร้ายไปเท่านั้นเองเวลาที่ไม่มีร่างกายเรามาควบคุมความคิดไม่ได้แต่เวลาที่เรามีร่างกายนี้เราสามารถควบคุมความคิดได้หยุดความคิดไปในทางที่ไม่ดีได้ให้มันคิดไปในทางที่ดีได้พระเจ้าถึงมาสอนให้เราคิดไปในทางที่ดีทาบุญไงคิดไปในทางที่ดีละบาปก็คือหยุดความคิดไปในทางที่ไม่ดี แล้วก็มาหยุดความอยากชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเราจะมาทําได้ก็ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นะหรือถ้าเป็นเทวดาก็ต้องมีคนคอยสอนนะมีพระพุทธเจ้าไปคอยสอนทุกวันว่าเธอเป็นเทวดาเธอไม่มีร่างกายแต่เธอยังมีความคิดอยู่อย่างตอนนี้ความคิดของเธอต้องคิดไปในทางที่ดีอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีอย่าไปคิดในทางความอยากนะทางบาปอาจจะไม่ได้คิดแล้วเพราะเป็นเทวดา พวกที่ไปเป็นเทวดาเพราะพวกนี้ไม่คิดเป็นในทางบาปแต่ยังคิดไปในทางความอยากอยู่ยังอยากมีความสุขนานๆก็ต้องหยุดมันอย่าไปมีความอยากอะไรทั้งสิ้นก็จะไปถึงนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้พระพุทธเจ้าถึงแสดงทำให้เทวดาฟังทุกคนะืน เ, เทวดาถ้ามีพระพุทธเจ้าที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้เขาก็สามารถที่จะเรียนธรรมะได้เหมือนกับเรา เราสามารถปฏิบัติได้สามารถบรรลุได้แม่ของพระเจ้ า, าบรรลุเป็นพระโสดาบันใช่เทวดานี้ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะเจ้าแสดงธรรมให้เห็นอริยสัจให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็หยุดความอยากพอหยุดได้เขา่าเป็นโสดาบันขึ้นมา แล้วความอยากอย่างอื่นถ้าหยุดต่อไปได้ก็จะเป็นพระอนาคามีพระอารหันต์ขึ้นมา น, นี่เกิดคาว่าจิตคำว่าใจตัวเดียวกันตัวนี้แหละที่เป็นเรามาตลอดเราเปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองแต่ตัวจิตนี่เราไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเดิมที่ติดมากับจิตก็ไม่เปลี่ยนเคยชอบสีแดงก็ยังชอบสีแดงชอบสีเขียวก็ชอบสีเขียวเกลยด เกลียดผลละไมชนิดนั้นก็เกลียดชอบผลละไมชนิดนี้ก็ชอบแต่แม่ลูกเราเลี้ยงมันดูบางอย่างมันก็กินบางอย่างมันก็ไม่กินเพราะมันเคยรู้มันเคยสัมผัสมามันเคยรักมันเคยเกลียดมามือขวามือซ้ายที่มันเคยใช้มามันก็ใช้ของมันมาอย่างนี้เคยใช้มือขวามันก็มาใช้มือขวาต่อนี่มันเป็นของที่ติดมากับใจเราคุณนิสัยสันดาเนี้มากับใจร่างกายเป็นเพียงเหมือนรถยนต์ รถยนต์กับคนขับมันคนละคนใช่ไหมคนที่เคยขับรถแบบปลอดภัยเรียบร้อยมันก็จะขับรถปลอดภัยเรียบร้อยไอ้คนที่ขับสวิตสวัดขับแบบรถแข็งมันก็จะขับแบบนั้นน่ยใจเราเคยทําอะไรมาเป็นนิสัยมันก็จะทําต่อเคยทําบุญมันก็จะกลับมาทําบุญต่อเคยดื่มสุรามันก็จะกลับมาดื่มสุราต่อแต่เราเปลี่ยนได้นิสัยเปลี่ยนได้ฐานดานก็เปลี่ยนได้แต่ยากหน่อยฐานดานมันลึกกว่านิสัยเหมือนกับเสาที่เรา ฝังลงไปในดินนะถ้ายิ่งลึกมากยิ่งถอนยากถ้ามัไม่ลึกมันก็ถอนง่ายถ้านิสัยเนี่เราเรียกว่าเป็นก า, การกระทําที่เราแก้ได้ง่ายแต่ถ้าสันดานนี้แก้ได้ยากกว่าทั้งดีทั้งชั่วอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสันดานดีพ่ออยากให้ไปทําสงฆ์ทางก็ไม่ไปเพราะอยากจะให้ลูกเป็นมหาจั ก, กรพรรดิใช่ไหม มีโหรทํานายไว้ว่าถ้าไม่ไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเป็นมหาจากักรพรรดิพ่อก็อยากจะให้เป็นมหาจากักรพรรดิพราะคิดไปในทางโลกทางโลกจะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการเป็นมหาจากักรพรรดิแต่พระเจ้ามีปัญญาเห็นว่าการไปเป็นมหาจากักรพรรดนี้ต้องไปทําบาปแล้วถ้าไม่มีสันดาลในการทําบาปพระเจ้าสิบชาติดูมีชาติไหนที่ท่านทำบาปมีแต่ทาบุญทําประโยชน์ทําแต่บรารมีสร้างแต่บุญบรารมีมาตลอด ท่านก็เลยทําไม่ได้มีมีพระราชาหมาก็มีพระราชาโอรสองค์ไหนบ้างที่สามรถราชสมบัติได้ไม่มีหรอกเพราะส่วนใหญ่ก็ยังมีสันดานมาในทางโลกกันยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากอยากล่ำอยากรวยอยากมีอํานาจเขาก็อยู่เป็นกษัตริย์กันเรื่องอะไรไปเป็นนักบวชไปเป็นขอทานกันมีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านได้สะสมบุญบรารมีมาทางนี้ บอกถึงเวลาอายุ29ท่านก็ไปแล้ว<อ>ทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรทั้งหมดไปเพือ่อเพื่อไปหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นมหาจักรพรรดิคือการเป็นพระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดนี่เป็นนะเดี๋ยวตายมันก็จบพระพุทธเจ้านี่เป็นแล้วไม่ไม่มีวันจบเป็นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่เกิดเรื่องของใจของพวกเราทุกคน ที่เราสามารถที่จะปรับแก้นิสัยอันไม่ดีต่างๆให้มันกลายเป็นนิสัยของพระอริยะขึ้นมาได้ด้วยการอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดยอาศัยวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งใช้เอามาใช้กับพวกใจของพวกเราท่านถึงสอนให้เราทําทานให้เราเสียสละแทนที่จะโลภอยากได้เงินทองให้สละเงินทองถ้าเรามีพอแล้วอย่าไปหามันถ้ามีเกินก็เอามาทําบุญให้หมอมีพอกินก็พอแล้ว จะได้มีเวลามารักษาศีลมาภาวนาได้มาเปลี่ยนนิสัยนักษาศีลก็เปลี่ยนนิสัยที่ชอบทําบาสนั้นมันเลิกทําบาปปางภาวนาก็เปลี่ยนนิสัยที่ชอบคิดปรุงแต่งให้มันหยุดคิดปรุงแต่งมาเปลี่ยนนิสัยยากชอบโลภโกรธหลงชอบอยากนู่นอยากนี่ให้มันมาหยุดเสียพอเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ได้หมดก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ E. พวกเราทุกคนมีโอกาสเป็นเป็นได้เหมือนกันเพราะใจของเราทุกคนเหมือนกันอยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทํานั้นเองโดยใหญ่เราก็จะไม่ทํากันเพราะเราถูกความโง่หลอกเองว่าเ้ยเราไม่มีวันที่จะทําได้อถ้าคิดแค่นี้มันก็ไม่ทํำนะใช่ไหมแต่ถ้าคนเขาคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าทําได้เราก็ต้องทําได้ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นผ้าหลานกันขึ้นมาพวกที่เขาคิดแบบนั้นเขากลายเป็นผ้าหลานพวกที่คิดว่าโอ้ทําไม่ได้ มันก็เป็นอย่างนี้มันก็มันก็ดําเนินว่ายตายเกิดต่อไปนี่เกิดใจของวกเรามีแค่นี้แหละงั้นตอนนี้เรามาที่เรามาฟังเทศกับคนที่รู้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อเราจะได้กําลังใจได้รู้จักวิธีคิดคิดให้มันถูกเราต้องคิดว่าเราทําได้ใจของพุท้เจ้าใจของเราเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยเป็นผู้รู้เหมือนกันผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันต่างตรงที่นิสยัยสันดานไม่เหมือนกันเท่านั้น ตอนถ้าเรามาแก้ทิศสัยสันดาหของเราได้แล้วก็เป็นหมือนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเคยชอบกินเหล้าก็เลิกกินนะเคยชอบเที่ยวก็เลิกเที่ยวนะเคยชอบอะไรที่ไม่ดีก็เลิกเสียแล้วมาทําสิ่งที่ดีต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้ใจไม่ไม่มีเพศอะไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นคนแก่คนสาวคนหนุ่มใจไม่ไม่มีอายุอายุของใจพวกเราเท่ากันหมดน่ะ ไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วใจขพวกเราเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ครั้งแะ้นั้นเด็กบางคนก็บรรู้เป็นพระอรหันได้นะสมัยเนรสมัยพุทธกาลเนี่ยพอเข้าใจคําสอนของพระเจ้าแล้วปฏิบัติตามได้ก็กลายเป็นพระอรหันได้ผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้นักบวชก็ได้ผู้ครองเลนก็ได้แต่มันน้อยกว่านักบวชเ ท, ท่านั้นเน่ะนักบวชจะมีเยอะกว่าเพราะนักบวชมีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากกว่าผู้ครองเลน ผู้คลงเลยต้องเป็นพวกที่หัวกะทิจริงๆพวกที่สะสมบุญมามากในอดีตพอฟังธรรมครั้งสองครั้งก็บรรลุได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่ใช่หัวกะทินี่ต้องมาบำเพ็ญกันก็ต้องมาเป็นนักบวชกันเพราะมันเป็นนักบวชแล้วมันจะมีเวลาบำเพ็ญได้เต็มที่ถ้าเป็นค า, า, ารวะก็บำเพ็ญได้ครึ่งๆกลางๆบางวันว่างก็บาเพ็ญวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้บาเพ็ญมันก็ ช้าหรือบางทีมันก็ไม่ได้ผลกันนะมันไม่ได้อยู่ที่ใจอยู่ที่เพศว่าเป็นหญิงเป็นชายใจเหมือนกันทุกคนอยู่ที่ใจที่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจคำสอนแล้วสามารถเอาคำสอนมาสอนใจเราให้พลิกใจเราจากหน้ามือให้เป็นหนังมือได้เปล่าจากนิสัยที่ไม่ดีให้มาเป็นนิสัยที่ดีจากปุตตชนให้มาเป็นพระอริยะได้เปล่า กานั่นเองก็ท่านก็สอนวิธีทํานะให้ทำสามขั้นทําทําทานรักษาศีลแล้วกษาษา็ภาวนาลองทําดูสิทำสามขั้นนี้ได้รับรองได้เดี๋ยวก็พิกได้แล้วนะมีคําถามไหมเหนื่อยยาวเลยอ่ะยังมีถ า, ถามว่าแคำว่าบรรลุสดาบาัตเนี่ยครับก็<ม>พลิกใ จ, จบบกไปไงอ๋อเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ พอยอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อก่อนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทีนี้เห็นว่ามันทุกข์เวลาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันทุกข์อยากจะไม่ทุกข์ก็เลยมาดูว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเรายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายมันก็ไม่ทุกข์มันก็อยู่อย่างสบายไม่ต้องมาไม่มาห่วงใยใครแะไม่ว่าร่างกายของเราร่างกายของคนอื่น แล้วนอกจากร่างกายแล้วทรัพสมบัติข้าวของเงินทองของนอกกายยิ่งไม่ห่วงใหญ่เพราะรู้ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันไปก็อยู่มันไปมีก็มีไปไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องใช้เงินทองมากมีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็อยู่ได้แล้วถ้าไม่มีอดตายก็ก็ก็อยู่ได้ก็ก็ไม่เดือดร้อนเองเพราะโสดาบันนี่ไม่เดือดร้อนไม่กลัวความยากจน ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ายังทําอะไรได้ก็ทําไปยังมีครอบครัวอยู่ก็ยังเลี้ยงดูครอบครัวอยู่ยังมีภรรยาก็ยังอยู่กับครอบยังอยู่กับภรรยาอยู่เพราะพระโสดาบันยังไม่ได้ตัดการมลยังมีการมลยังอยากจะอยู่กับแฟนอยู่แต่ถ้าปฏิบัติขั้นต่อไปพอพิจารณาเห็นร่างกายของแฟนเป็นซากสดก็ต่อไปก็จะไม่อยากจะมีแฟน อไปก็ไม่ต้องอยู่กับใครเลยอยู่คนเดียวได้อยู่ไปบวชนะพอเป็นภานาคามีแล้วก็ไปบวชนะเพราะมันไม่จะอยู่กับใครอยู่กับใครก็ไม่ได้ทํากิจกรรมเหมือนเมื่อก่อนนี่แนละเห็นเป็นซากศพไปหมดเนี่ยเห็นนอนกับซากศพก็ไม่อยากจะอยู่กับซากศพไปอยู่คนเดียวดีกว่าเอาเข้าใจแล้วนะอยากจะเป็นโสดาบันก็พยายามนั่งสมาธิให้จิตรวม แล้วพอจิตรวมจะมีกำลังหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันแก่เจ็บตายเานั้นเองพอเรายอมมันแล้วใจเราก็หายทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่กิเลสมันไม่ยอมเรายอมแต่กิเลสไม่ยอมอคำถามทางบ้านนะคำถามจากคุณไอเบอร์รี่ ถ้าจิตเข้าสู่อุเบกขาแล้วสามารถแยกแยะได้ว่านิมิตที่เข้ามาอันไหนจริงหรืออันไหนลวงหรือไม่ครับและการวางจิตให้เป็นอุเบกขานั้นต้องได้ฌานสี่หรือไม่คะถ้าอุเบกขาแล้วนี้มันไม่รับรู้อะไรนะไม่มีนิมิตต่างๆจิตจะว่างจิตจะนิ่งสัตวารู้รวมเป็นหนึ่งถ้ามันไม่นิ่งมันออกไปรับรู้นิมิตต่างๆ อย่างนั้นมันไม่อุเบกขาละเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิล้ไม่เป็นอั ป, ปนาสมาธิแล้วนิมิตมันก็มีสองแบบนิมิตในใจที่จิตผลิตขึ้นมาหรือนิมิตที่มาจากข้างนอกพวกกายทิพต่างๆจะรู้ยังไงก็คุยกับเขาดูดิคุยก็จะรู้ว่าเออเป็นเป็นนิมิตนอกแล้วเป็นนิมิตในมีแม่ชีคนหนึ่งเธอมักจะพบกับพวกกายทิพย์อยู่เรื่อย เวลานั่งสมาธิปั๊บพอจิตนิ่งแล้วไม่ยอมอยู่เฉยๆออกไปรับรู้พวกกายทิพย์ต่างๆก็คุยกับเขาบางทีก็เป็นควายถูกเขาฆ่าตายชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านเป็นควายแต่ถูกเขาฆ่าตายก็มาปรับทุกข์ให้กับแม่ชีแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เขาคงยาวเนื้อของเขามาถวายแม่ชีขอให้แม่ชีรับไว้เพื่อเป็นกุศลเขาขอถวายเป็นทานถวายเนื้อเขา ตอนเช้ามืชีก็เห็นคนเอาเนื้อควายมาถวายเพราเมื่อคือนนี้ชาวบ้านฆ่าควายกันเพราะควายตัวนี้มันดือ้อมันไปทำความเสียหายให้แก่หูดเขาก็เลยต้องฆ่ามันอันนี้ก็จะได้รู้ว่าเป็นนิมิตนิมิตนอกเป็นเรื่องราวจริงนิมิตในก็เรื่องที่เราคิดขึ้นมาที่อาจจะเกิดขึ้นมาในอดีตก็ได้อาจจะระลึกชาติได้ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ได้ เรืออาจจะลกถึงว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายภายภาคหน้าก็ได้อันนี้ก็เรียกว่านิมิตหน่ยคำถามสักคุณหมูเมื่อยังเด็กเคยเกเรทำให้พ่อแม่เสียใจถึงโตขึ้นจะดีขึ้นแต่ปัจจุบันยังรู้สึกเสียใจอยู่ตอนนี้พ่อแม่สิ้นทั้งสองแล้วค่ะมีทางไหนที่จะสามารถขอขมาต่อพ่อแม่ไหมคะก็อธิษฐานไปในจิตเนี่ย เผื่อพ่อแม่เขารอรับฟังอยู่ก็เขาก็จะรับถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรขอให้เราปรับตัวเราก็แล้วกันเราอย่าไปทําถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามาไม่ดีเราก็อย่าไปทํามันมันก็มันก็หมดปัญหาไปปัญหาก็คือเรายังติดอยู่กับคำกับการที่จะต้องไปบอกพ่อแม่โดยตรงซึ่งตามเหตุเหตุการณ์จริงนล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาจากไปแล้วซึ่ง ความจริงไม่บอกไม่บอกมันไม่สำคัญเท่ากับการทำหรือไม่ทำมากกว่าไปขอขมาแล้วกลับมาทำเหมือนเดิมมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราปรับการกระทำของเราจากไม่ดีมาเป็นดีจะบอกเขาไม่บอกมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะเขาต้องการให้เราทำความดีอยู่แล้วนันขอให้เราพยายามตัดอดีตไปให้ได้อดีตมันผ่านไปแล้วเราย้อนไปหาอดีตไม่ได้ แล้วยากมันยิ่งจะําให้เราทุกข์ใหญ่เพราะมันไม่มีวันที่จะย้อนกลับไปได้คําถามจากคุณพัทรลัก์พงศ์การที่เราละยึดถือว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจะกลับกลายทําให้เรายึดถือจิตใจแทนว่าเป็นจิตของเราและก็ถือตัวตนของเราแทนหรือเปล่าครับเหมืนนี้ก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของของผู้มีปัญญาและไม่มีปัญญา แต่ตอนต้นการละตั ว, ตว ล, ล, ละร่างกายไม่ใช่ตัวตนมันก็ตัดปัญหาไปส่วนหนึ่งทุกคนก็มีละ ม, มีมียึดทั้งร่างกายทั้งจิตอะตอนนี้จิตเราก็ยึดมันตัวเราของเราความคิดก็เป็นความคิดของเราเนี่ยร่างกายก็เป็นร่างกายของเรามันก็ยึดอยู่แล้วจะยึดปล่อยร่างกายหรือไม่ปล่อยร่างกายมันก็ยังยึดอยู่ในจิตอยู่พระพุทธเจ้าถึงสอน้มาปล่อยปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาปล่อยจิตเนี่ย เรายึดทั้งสามส่วนนี้ยึดร่างกายยึดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรายึดอยูย่ยึดอยู่กับความสุขพยายามปฏิเสธความทุกข์ก็ถือว่าเป็นการยึดอยู่จิตก็ยังยึดอยู่ว่าเราต้องคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องอะไรนี้ก็ยังเป็นความยึดอยู่เราต้องค่อยๆแก้ที่เราตัวตัวที่ง่ายที่สุดก็คือร่างกายร่างกายมันเห็นชัดเห็น พอปล่อยร่างกายได้ก็มาปล่อยเวทนาปล่อยเวทนาได้ก็ไปลปล่อยตัวจิตอีกทีหนึ่งถึงจะหลุดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาได้ก็เป็นพระโสดาบันปล่อยกามอารมณ์ความอยากในร่างกายของคนอื่นได้ก็เป็นพระอนาคามีพอปล่อยจิตได้ไม่มีตัวตนในจิต ต, ตัวจิตนี้เป็นเพียงตัวรู้ตัวตนมันเกิดจากตัวคิดเท่านั้นเอง คิดขึ้นมามันก็เป็นเราขึ้นมาพอไม่คิดมันก็หายไปเวลานั่งสมาธิจิตหยุดคิดตัวเราตัวตนก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ก็ต้องเอามาใช้เวลาทุกครั้งที่จะจะ เ, เกิดตัวตนขึ้นมาก็ใช้ปัญญาหยุดมาให้ไม่มีตัวตนนะมีแต่ตัวรู้ให้รู้เฉยๆใครด่าเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้ถ้าตอบโต้ก็แสดงว่าเอาตัวตนไปตอบโต้แล้ว ถ้าไม่มีตัวตนก็รู้เฉยๆเหมือนต้นไม้เห็นไหมใครไปด่าต้นไม้ต้นไม้มันตอบตอบโต้มาปะ่ะก็ปล่อยมันต้นไม้ก็ปล่อยให้พูดไปด่าไปอยากจะด่าก็ด่าต้นไม้ไปต้นไม้มันก็เฉยๆไปร่างใจเราก็เฉยๆไปร่างกายเราก็เฉยๆไปใครด่าเราก็เฉยๆไปก็จบเดี๋ยวเขาเมื่อยปากเขาก็ไปเขาก็หยุดเองไม่ต้องไปทําอะไรอย่างนี้ตอนนี้เรายังหยุดความคิดไม่ได้ มันก็เลยกลายเป็นตัวตนขึ้นมาทุกครัง้งใครด่าก็ด่ากูเนี่นว่าใครชมก็ชมกูเนี่ยว่าแต่ถ้าเป็นไม่มีตัวตนก็เป็นแต่ผู้รู้รู้ว่าเขาชมรู้ว่าเขาด่า น, นั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเขาด่าใครร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องตัวรู้ก็รู้เฉยๆ <laughs> มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอออคาถามหนึง่งคำถามจากคุณปุ้มปุ้ย ทุกคนที่ปฏิบัติสามารถตัดความทุกข์และกิเลสทุกอย่างได้โดยการมีสติรู้อยู่กับการกำหนดหรือเปล่าเจ้าคะก็ต้องมีสติในเบื้องต้นแล้วข้อที่สองก็ต้องมีปัญญาสตินี้หยุดได้ชั่วคราวแต่ปัญญานี้จะหยุดแบบถาวรสติท่านบอกว่าเหมือนกับหินหินทับหญ้าพอห็นไปทับหญ้าหญ้าก็ไม่งอกขึ้นมาพอยกหินออกเดียวย่าก็งอกขึ้นมา ถ้าอยากจะให้หญ้าไม่งอกต้องถอนถอนรากถอนโคนมันถอนมันออกมาจากดินตัวที่จะถอนกิเลส ถ, ถอนความอยากคือปัญญาตัวที่ยาไปหยุดกิเลสชั่วคราวนี้คือตัวสติเวลาเราโกรธเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสักพักเดี๋ยวก็หายโกรธเพราะมันลืมเรื่องที่ะโกรธไปไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่โกรธมันก็เลยหยุดหายไปแต่พอเราเผลอไปกลับไปคิดถึงมันอีกเดี๋ยวก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าอยากจะให้หายโกรธ คิดเท่าไรก็ไม่โกรธก็คือต้องคิดว่ามันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะทุบตีเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราทําได้ก็แค่หลบตบได้ก็หนบหนบไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้กรรมไปอย่างนี้เราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกข์กับคําด่าไม่ทุกข์กับการกระทําของเขาอีกต่อไปเพราะเรายอมรับกรรมของเราเนี่ยนี้ก็จะหาย หายอย่างถาวรพอเห็นว่าเสียงที่เขาพูดเป็นอนัตตาเราสั่งก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ร่างกายที่เขาทำร้ายเราแล้วก็ห้ามก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้เราก็ปล่อยเห็นว่ามันอันนิจจังทุกข์ขังอนัตตาร่างกายเราก็อันนิจจังเดี๋ยวมันก็ตายเขาทําได้อย่างมากก็ตายฆ่าเราไม่ฆ่าเรามันก็ตายเหมือนกันพอเรายอมรับความตายได้มันก็หายโกรธมันกลับเห็นความโกรธนี่เป็นตัวปัญหาโกรธแล้วใจทุกข์